ข้อที่11อ็นยบทวินิชโยอันว่าวินิจัยตั ท, ทวงเล็บเปิดเอกมันตังทีตาโขสาอิติวจนเนวงเล็บปิดในคําว่าเอกมันตังทีตาโยสาดังนี้เป็นต้นนั้นวงเล็บเปิดปันทิเต น, นะอันบันดิต เวทิตโพพึงทราบองเล็บปิดเจ้าประโยคอัญโยบทวจนังอันว่าคำว่าอัญยบทอโถอันว่าอ่านว่าวจนีนะด้วยคำอักขระประทังนิยมิตตวากถิเตนะอันอันบัณฑิตกล่าวแล้วนิยมซึ่งอักขระบทอัญโยบท อิติดังนี้อัญญบทปทัสสะแห่งบทว่าข้าถายะอิติดังนี้อิติดังนี้อัญญบทอัถกาถาจริยนะอันพระอัฏกถาอาจารย์วุตังกล่าวแล้วอัถกถาอย่างในอัฏกถาจบประโยคอโถอันวาดว่า อัครโว่าอักษรปเทในบทปาทะสังคาเตอันอันมณิตนับพร้อมแล้วว่าบาทอัค ร, ประปังชื่อว่าอัครบทอิติดังนี้ตาทะวงเล็บเปิดอัคระปังอิติวัจนีวงเล็บปิดในคําว่าอัค ร, ประปัดรประงดังนี้นั้นยุชติ ย่อมถูกจจประโยคตถาหิจริงอย่างนั้นอั ญ, ญบทวัชนางอันว่าคำว่านิยโมอันว่าการนิยมเอกปาทะัขะรานังปิแม้ซึ่ ง, งอักษรในบาทหนึ่งทั้งหลายฉันทลักขนงังชื่อว่าฉันทลักจุลภาตุส่วนว่านิยโม กันว่าการนิยมจะตก ป, ปาทะคลานังซึ่งครุและละหุในบาทที่สี่ทั้งหลายวุติลักขณังชื่อว่าพลึลักษณะอิติดังนี้อัญญบทคันธรัจนาจระรยนะอันพระคันธรัจนาจานวุตตังกล่าวแล้วฉันทวุติปปทีเป ในประกรณชื่อว่าฉันทวุติปทีจบจุประโยคอภิจักอีกอย่างหนึ่งอโถอันว่าเนื้อความว่าประทางอันว่าบทอักระวะคืออันว่าอักษรอักระประทางชื่อว่าอักระบทอิติดังนี้ยุชติย่อมถูกอักรเนียมโมฉันทงังคาุ ลหุนิยมโมพเววุตติอติสันทิภาลาวตาเรอัญยบุตตาจะเอวะพระความที่แห่งคำว่าอัครเนิยมโมอันว่าการนิยมด้วยอักษรฉันทังพึงชื่อว่าฉันอัญยบพระเวพึงเป็นจุลภาค กรุละหุนิยโมอันว่าการนิยมด้วยครุและละหุนุติพึงชื่อว่าพรึตพระเวพึงเป็นดังนี้เป็นคำอันพระคันทรั จ, จนาจาร์กล่าวไว้แล้วในคำพีชื่อว่าสันธิพาลาวตานด้วยนั่นเดียวประโยครวบยาชมาณะรวิโตยะ ภูมิชลนาโสมะมารุตนะพระสังคาเทหิยะระตักชะสะะาสมนอิติอิเมหิอักเรหินิยมโมอุปาลคิโตวิธิเสโสวัชังชาเทติติอัญญบทวิกะหนะฉันทัง นามะพเวจุลภาคกูหิจะละหุหิจะเนิยมโมวุจติเอตายาติอัญญบทวิคเหนะวุตินามะพเวอิติตัดดีกายังมุตตตาจะพระความที่เห็นคำว่าอันว่าการนิยมคือว่า อันว่าวิธีอันวิเศษอันอันบัณฑิตเข้าไปกาหนดแล้วด้วยอักษรทั้งหลายเหล่านี้คือยะระตภ ะ, ะชะสะมะนะอันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่ายะชมานะระวิโตยะภูมิชนรนะโส ม, มารุตะและนาภะ พึงชื่อว่าฉันพึงเป็นเพราะวิเคราะห์ว่าย่อมปกปิดซึ่งโทษ ด, ดังนี้จุลภาคอันว่าการนิยมด้วยครุทั้งหลายด้วยด้วยละหุทั้งหลายด้วยพึงชื่อว่าพฤดพึงเป็นเพราะมิเคราะห์ว่าอันว่าคำอันบันดิตย่อมกล่าวเอตายะอั ญ, ญบด ครุและหุนิยมคาถายะด้วยคาถาคือการนิยมด้วยครุและหุนั่นดังนี้เป็นคำอันพระดีกาจาร์กล่าวไว้แล้วในดีกาแห่งคัมภีร์ชื่อว่าสันทิพาลาวตานั้นด้วยจบประโยคหิก็คณะอันว่าคณะทั้งหลายอาทาแปดและพันติ ย่อมได้ยะคนาที่นามังซึ่งชื่อมียะคณะเป็นต้นวเสนะโดยสามารถเยสังอั ญ, ญบทอะทักครานังแห่งอักษร8ดทั้งหลายเหล่าใดจุลภาคอั ญ, ญบทเตยะการาธโยอะถักคราวะอันว่าอักษรแปดทั้งหลายมียะอักษรเป็นต้น เหล่านั้นเทียวอัญญบทบันดิเตนะอันบัณฑิตคหิตาถือเอาแล้วอัราครคหะนีนะด้วยอักษรศัพท์เอทะวงเล็บเปิดอัคราประทางอิติปเทในบทว่าอัคราประทังหนังนี้นี้จบประโยคตัทะอัญญบทเทวีสุอัญญบท นิยมสุอักษรนิยโมอันว่าในการนิยมทั้งหลายสองเหล่านั้นหนาการนิยมด้วยอักษรอัญญบทปัณฑิเตนะอันบัณฑิตลัพติย่อมได้วันณวุตเตในวรรณพริจุลภาจะก็ตัทอัญญบทวรรณวุตเตในวรรณพรินั้นมังคโน อันว่ามะคนะติครุมีครุสามจุลภาคนาคโน อ, อันว่า น, นาคนะติลหุมีลหุสามจุลภาคตุส่วนว่าครุละหุนิยมโมอันว่าการนิยมด้วยครุและละหุอัญญบทปัณธิเตนะอันบัณิตอัญญบทละพติย่อมได มัตตาวุเตในมาตราพฤตจุลภาคจะก็ตัฐะอั ญ, ญบทมัตตาวุตเตในมาตราพฤตนั้นมังคโนอันว่ามาาังคณะทวิคุมีคุรสองจุลภาคนัคโนอันว่านัคณะจะตุดลหุมีละหูสี่จะประโยชนตุ ส่วนว่าคณาอันว่าคณะทั้งหลายเสยสาอันเหลืออุพยทะอัญบทตรมุตเตในพฤษทั้งสองเอกะสะัทิสาเป็นเช่นเดียวกันอัญบทหนติย่อมเป็นอิติดังนี้แลจบประโยคข้อที่สิบสองอัญบทอทัอโถอันว่าดว่า อภาสิได้กล่าวแล้วอัญญบอิติดังนี้อัญญบทปปัสสะแห่งบทว่าอาจจะาสิอิติดังนี้จ้ประโยคนโ์โถอันว่าอธิบายว่าปุชิทูลถามแล้วอิติดังนี้เจ้าประโยคจะ ก, ก็อาธิอิติเอตังอัญญบดิวจนังอันว่าคําว่า อาทิดังนี้นั่นอุปสักะมะตังเป็นจากว่าอุปสักอัญญบทโหติย่อมเป็นจ้ประโยคอัญญบดอโถอันว่าตว่าอัญีกาม่ใช่ผู้เดียวอัญญบดอิติดังนี้อัญญบดปทัสะแห่งบทว่าพระหูอิติดังนี้เจ้ประโยคอุป ป, ปติเทวา อันว่าเทวดาโดยอุบัติทั้งหลายจ่าตุ ม, มหาราชิกาทโยมีเทวดาผู้อยู่ในชั้นจาตุมมหาราชเป็นต้นเทวาอิติชื่อว่าเทวาโจประโยคชนาอันว่าชนทั้งหลายชามพูทีปกาผู้อยู่ในชมพูทวีปมนุษยษ์อิติชื่อว่ามนุษย์โจประโยคกอัโออันว่าอัะ สัพพสัมปติยามุทิปปติการณาน้ซึ่งเหตุเป็นเครื่องถึงซึ่งความเจริญทั้งหลายด้วยสมบัติทั้งปวงอิติดังนี้อัญญบทิพระทัสสะแห่งบทว่ามังคลานิอิติดังนี้โจประโยคเตนะอัญญบทกาณีนะด้วยเหตุนั้นอัญญบทวันจจาัง อันว่าคําว่าสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายมังคันติย่อมถึงอัโอะอันว่าอธิบายว่าปาปุนันติย่อมบรรลุอิติงอัญญบทจักซึ่งความสําเร็จด้วยมุติงจากซึ่งความเจริญด้วยอเมหิอัญญบทการณเนหิด้วยเหตุทั้งหลายเหล่านี้อิติ เระเหตุนั้นอัญญบดอีมานิอัญญบทการหน้านี้อันว่าเหตุทั้งหลายเหล่านี้มงคลานี้ชื่อว่ามงคลอิติดังนี้อัญญบทอัตถกถาจริยนะอันพระอัตถกถาจารย์วุตตังกล่าวแล้วอัตถกถาอย่างในอัตถกถาจ้ประโยค กิริยาประถังอันว่าบทแห่งกิริยาว่ามังคติอิติดังนี้อักะวังสาจริเยนะอันพระอัคร ว, วงสาจาย์วัตวากล่าวแล้วทาตุวัถังซึ่งอาจแห่งธาตุว่ามาือกอันว่ามา่กี้ธาตุมังคลังอิติเอถะอั ญ, ญบทปเท ในบทนี้ว่ามังคลังดังนี้อัญญบทวัตติย่อมเป็นไปคติยังในความถึงอิติดังนี้มุตตังกล่าวแล้วสันธนีติยังปิแม้ในปรกรณ์วิเศษชื่อว่าสัทนีติจประโยคหิก็มัคิธาตุอันว่ามคีธาต อีการันโตเป็นอีการันอั ญ, ญบทหโหติย่อมเป็นจุลภาเตนะอั ญ, ญบทการณีนะเพราะเหตุนั้นพินทาคโมอันว่านิค้าหิตอาคโมหโหติย่อมลงนิผนนะรูปเปในรูปอันสาเร็จแล้วเจ้ประโยคอั ญ, ญบทอัตโถอันว่าอัทว่ า, วาจินเตสุ คิดแล้วอัญญบอิติดังนี้อัญญบทปาาัสสะแห่งบทว่าอจินตยุงอิติดังนี้ชประโยคอัญญบดอทัทโถอันวาดว่าอิจมานาจํานงอยู่อิจมานาคือว่าปัธยามานาปัธยามานาปรารถนาอยู่อัญญบอิติดังนี้อัญญบทปปัสสะ แห่งบทว่าอากังขมานาอิติดังนี้จดประโยคอัญญบทอัโถอันว่าอธิบายว่าโสธิภาวังซึ่งความเป็นแห่งความสวัสดีอัญญบทิติดังนี้อัญญบทัฏษะแห่งบทว่าโสถานังอิติดังนี้จดประโยคอ์อโถอันว่ า, อ, วาอธิบายว่าประโยครวบสัพเพสัง โสพนานังทิฏฐธรรมิกสัมปราญิกธรร ม, มานังอธิตังซึ่งความที่แห่งธรรมอันทั้งเป็นไปในธรรมอันสัตย์เห็นแล้วทั้งเป็นไปในพบอันสัตย์พึงถึงในเบื้องหน้าพร้อมทั้งหลายอันงามทั้งปวงมีอยู่อิติดังนี้เจ้าประโยคข้อที่13อัญยบทอโถ อัญว่าอัญญบทอัน ว, าว่ า, นนวาพระองค์อาจิกะขอจงตรัสอาจิกะคือว่าเทเสหิเทเสหิขอจงแสดงอัญญบดอิติดังนี้อัญญบทปทัสสะแห่งบทว่าพระรูหิอิติดังนี้โจประโยคอัญญบทอโถอันว่าอัดว่าวิสถังอันวิเศษ วิสถังคือว่าปาวรังปาวรังอันประเสริฐปาวรังคือว่าสัพพโลกหิตะสุขาวหังสัพพโลกหิตะสุขาวหังอันนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่โลกทั้งปวงอัญญบอิติดังนี้อัญญบดีปทัสสะแห่งบทว่าอุตมังอิติดังนี้จะประโยค จะก็อัญญบทสันนิฐานังอันว่าการสันนิฐานว่าวัชนะเพโทอันว่าความต่างการแห่งวัชนะอัญญบทสเกนะอันเท้าสกะกระโตทรงกระทำแล้วเพทชัจจาเปกขวเสนะด้วยสามารถเพ่งซึ่งประเภทและชาติเอทะอั ญ, ญบทอัทธคาถายัง ในคาถาด้วยทั้งกึ่งนี้ว่าราชสิข้าแต่พระฤาษีผู้พระราชาอัญบทตะวังอันว่าพระองค์วรสุขอจงส่งเลือกวรังซึ่งพรจุลภาคอัญบดอาหางอันว่าหม่อมฉันทถามีจะถวายวเรซึ่งพรทั้งหลายอัถาแปดเตแก่พระองค์อิติดังนี้ ยะถาฉันใดจุลภาวงเลเปิดวจนะเพโทอันว่าความต่างการแห่งวจนะเทวตายะอันเทวดาก็โตกระทำแล้ววงเลปิดมังคลานิอิติเพทาเปกขวเสนะอันจะบทจะโดยสามารถแห่งการเพ่งซึ่งประเภทว่ามังคลานิเรืองนี้ด้วย มังคลังอิติชัดจาเปกเขาววเสนะจะโดยสามารถแห่งการเพ่งซึ่งชาติว่ามังคลังดังนี้ด้วยคา ถ, ถาฉ น, นั้นอิติดังนี้อัญญบทปัณทิเตนะอันบันดิตทัตพังเพ่งเห็นเอทะอัญญบทปุจฉาคาถาอย่างในคถาเป็นเครื่องทูลถามนี้จ้าประโยชน์ ส่วนว่าอัญญบทวจนางอันว่าคำว่าพระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเอกังอัญญบทมังขลังอัญญบทอาจิกขาเปตุงอัจเชสิโอปิแม้ผู้อันเทีบประบุตเชือเช้อเฉยแล้วเพื่ออันให้ตรัสซึ่งมงคลอย่างหนึ่งอัญญบทวจนีนะด้วยคำว่า อัญญบทตะวังอันว่าพระองค์พระรูหิขอจงตรัดมังคลังซึ่งมงคลอุตมังอันสูงสุดอิติดังนี้วัตวาตรัดแล้วมังคลานิซึ่งมงคลทั้งหลายตีนิสามาถายะด้วยพระคาถาเอกายะหนึ่งยกรวกอบอปังยาจิโตพระหุทายโก อุลาระปริโสวิยะราวกะอันว่าบุรุษผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางผู้อันบุคคลอื่นขอแล้วซึ่งวัตถุอันน้อยผู้ให้ซึ่งวัตถุอันมากอิติดังนี้อัญญบทอัฏกาถาจริเยนะอันพระอัฏกถาจารย์มุตังกล่าวแล้วอัฏกถาอย่างในอัฏกถาจประโยค ข้อที่สิบสี่คาถาอันว่าคาถาออย่างนี้ปัตยาวัตังนามะชื่อว่าปัตยาวัตโจประโยคหต์ิจิงอยู่อัญบดห์เมเจนังอันว่าคําว่าปัตยาวัตังอันว่าปัตยาวัตอัญ บ, บดปัณฑิเตนะอันบัณฑิตปกติติตังกล่าวแล้วฉนี่นะ ด้วยชักนะสินตุโตแต่สีอักษรสเมสุในบาทคู่ทั้งหลายอิติดังนี้อัญญบทขันธรัจนาจริเยนะอันพระขันธรัจนาจารย์ุตังกล่าวแล้ววุตโตทะเยในคำพีชื่อว่าวุตโตไทยจบประโยชน์อัญญบทอโถอันว่าว่า สมาปาเทสุในบาทคู่ทั้งหลายทุติยะจตุทะปาทะสังคาเทสุ อ, นอนันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าบาทที่สองและบาทที่สี่อัญยบทอิติดังนี้ตัฐะอัญญบทประเทสุสเมสุอิติอัญยบทปฏฐัสสะแห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาบทว่าสเมสุอิติ ดังนี้เจ้ประโยคอัญญบทอโถอันวาดว่าจะตุรังขารโตอุดทางในเบื้องบนแต่เสียอักษรอัญญบทิติดังนี้อัญญบ ท, ทัศษะแห่งบทว่าสินตุโตอิติดังนี้เจ้าประโยคเอตังวงเล็บเปิดจะตุรักคารโตอุดทังอิติวัจนังวงเล็บปิด อันว่าคำว่าในเมืองบนแต่สียอักษรดังนี้นั่นนิทัศนะมัตตังเป็นศักว่าตัวอย่างอัญญบทโหติย่อมเป็นมังคลานิอจินตยุงอิติเอธะอัญญบดคาถาปเทปธรมะคระตโตปิชะคณะศัทัศนโตเพราะอันแสดงซึ่งชะคณะ แม้แต่อักษรตัวที่หนึ่งในบาทแห่งคาถานี้ว่ามังคลานิอจินตยุงดังนี้อัญญบทอโถอันวาตว่าชาคเนนะด้วยชาคนะอัญญบทิติดังนี้อัญญบ ท, ทัศสักแห่งบทว่าชาเนนะอิติดังนี้จประโยคอัญญบทอโถ อันว่าดว่ากติตังกล่าวแล้วอัญญบทอิติดังนี้อัญญบดปทัสะแห่งบทว่าปกติตังอิติดังนี้จ้ประโยคสาอัญญบดคาถาอันว่าคาถานั้นปฏิตับพระโตปิยาจะชื่อว่าปธยาเพราะเป็นวาจาอันบุคคลพึงกล่าวด้วย จตุราวัตเตนะปริวัตตพโตวัตตังจัชื่อว่าวัดเพราะเป็นวาจาอันบุคคลผึ่งร้ด้วยจตุราวัตด้วยอิติเพราะเหตุนั้นอัญญบทสาอัญญบทคาถาอันว่าคาถานั้นปัทยาวัตตังชื่อว่าปัทยาวัตจ้ประโยคปะนะส่วนว่าสะคณะ ในขณะอันว่าสะคณะนาคณะทั้งหลายอาทยัคขระโตอุทงังในเบื้องบนแต่อักษรตัวตน้นน่าสันติย่อมไม่มีวิสเมสุในบาทขอนทั้งหลายปัมะตะติยะปาทะสังคาเตสุอันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่ามาที่หนึ่งและบาทที่สาม จุลภาคอันเยอัญญบทขนาอันว่าขนาทั้งหลายเหล่าอื่นอัญญบทปณิตินะอันบันดิตอันนิวาริตาไม่ห้ามแล้วจะประโยค